ตนให้ดีการที่เราได้อัตภาพร่างกายมันเป็นมนุษย์มานี่ยนะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีอาศัยบุญกุศลตกแต่งให้คือบุญที่เราทำมาในชาติก่อนนู่นนะเพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของสำคัญสำคัญเพราะอะไรควรจะรู้ให้ลึกเข้าไปสำคัญเพราะว่าเมื่อบุญตกแต่งให้แล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นมีสติมีปัญญาสามารถฝึกฝนตนให้เจริญ ไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาถ้าว่าจิตตรงนี้นะไปเกิดในร่างอื่นเช่นสัตว์สิ่งเดรฉ า, านอย่างเงี้ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรเลยท่านเรียกว่าสัตว์ที่เจริญทางกว้างไม่ได้เจริญทางตั้ง มันย่อมไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นแต่ทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ต้องเอามาฝึกมาหัดใช้สอยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคนภาคภูมิใจที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอีกด้วย เราจำต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละปฏิบัติตามธรรมวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยร่างกายนี่นะ่ะฝึกจิตใจเข้าไปเพราะว่าจิตใจที่มาใส่ร่างกายนี่มันสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ตลอดถึงอริยสัจธรรม ทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถรู้ได้ถ้าไม่สามารถรู้ได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็คงจะไม่มีผู้บวชมั่นคงไปตามพระพุทธเจ้าจนหมดอายุสังขาร นี่ท่านพระดัยบรรลุมรรคผลแล้วท่านไม่ซึกอะนนับตัง้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปท่านยอมประพฤติปฏิบัติทมไม่สูงขึ้นไปโดยลำดับบางทีท่านก็อาจใจบรรลุมรผคขั้นสูงขึ้นไปอีกนี่ความได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์เนี่ยนวั เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามาผลนิพพานอันประเสริฐได้ในการพิจารณาให้มันเห็นว่าคนเรานะถ้าไม่มีบุญแล้วมันเป็นทุกข์มันลำบากให้รู้เรื่องหมดนีะไปก่อนนะ มันจึงพอใจในการกระทำความดีคนเรานะ่ะถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อบุญบาปอย่างนี้ก่อนแล้วนะ่ะมันไม่ตั้งใจทำความดีเพราะมันพิจารณามาตั้งแต่บุคคลมาทำความชั่วไม่ทำความดีเช่นผู้ไม่ให้ทาน มาแต่ชาติฟางกร อ, อย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้ก็ผลทานไม่มีจะอานวยให้ไม่มีเงินทองเข้าของไม่มีบ้านช่องจะอยู่อาศัยได้กลาแล้วก็เที่ยวขอทานเขากินไปวันๆนี่แนหะให้สังเกตดูคนเหล่านั้นน่ะที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่อบุญอ่ะไม่ทำบุญมาแต่ก่อน อา้าวแล้วทำไมเขาถึงได้เกิดมาก็เขาก็ได้ทำอยู่บ้างแต่ว่าทำน้อยเต็มที่ทำบุญกุศลนั่นน่ะเพียงแต่พอจะให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเท่านั้นเองแล้วก็มีร่างกายสู้พร้อมไม่แข็งแรงไม่มีกำลังวังชาเท่าไหรนะ่นักคนขอทานเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอ บางทีก็อดบางทีก็อิ่มไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเข้าแล้วก็น่าทุเรศแต่คนส่วนมากเห็นแล้วก็เบือนหน้ า, น ห, านหนีแล้วว่าเบือหน่ายเราไม่ได้คิดถึงเหตุถึงปัจจัยว่าตนเองถ้าหากว่าไม่ทําบุญให้ธรรมาะก่อน ก็จะต้องยากจนเหมือนกับคนผู้นี้แหละเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราจะต้องทำบุญทําทานให้เต็มความสามารถมันไม่คิดซะแล้วอย่างนั้นนะแต่บางคนก็คิดได้จึงว่าเป็นผู้หนักในทานการกุศลต่างๆไม่ท้อไม่ถอยอานผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไป ผู้วางมือจากการทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหนาทองแล้วเราก็บำเพ็ญอภัยทานดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นแหละเช่นนักบวชอย่างนี้นะเราก็บำเพ็ญอภัยทานเลยเราไม่ถือมั่นในเรื่องใ ด, ใดทั้งหมด หรือว่าไม่ถือมั่นในเรื่องชั่วก็ว่าใครหยิบยกเอาคมชั่วมาให้เราก็สละไปเราไม่ถือมั่นไว้เพื่อเป็นเครื่องตอบโต้กันให้เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนี่หรือว่าใครร่วงเกินตนมาโดยวิธีใดตนก็เอาโหสิกรรมให้ ไม่ถือสาหาความนี่เรียกว่าบำเพ็ญอภัยทานนักบวชนี่ชอบทีจ่จะต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีของเงินทองอะไรจะมาให้ทานเหมือนอย่างผููครองเรือนเรียกว่าเราให้ทานขั้นสูงขึ้นไป กลัวให้ทานเข้าของเงินทองนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงมีแก่ใจถ้าว่าผู้ใดไม่ไม่ยอมอภัยให้แก่ผู้ผิดตอบโต้กันไปผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่ได้บำเพ็ญอภัยทานมันก็มีกรรมมีเวรติดตัวไปเป็นอย่างนั้น คนเราอย่าไปอยากมีกรรมมีเวรมันเป็นทุกข์หลายเหมือนอย่างคนมีกรรมมีเวรที่เราเห็นกันมานั่นแหละเส้นเจ็บใครได้ป่วยจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเหนือบางคนก็มีภัยมาถึงตัวบ่อยๆโจรับภัยอักขีภัยอุทะกะภัยอะไรมนี่นะสงครามภัย ภัยทั้งหลายหมดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเกิดแก่คนมีกรรมมีเวรคนมีกรรมมีเวรมักจะพบกับความวิบัติอยู่เสมอได้รับความทุกข์ทนทรมานไปจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละช่วยกันคิดคิดดู ที่นี้พู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่ได้ทำกรรมเวรอันชั่วร้ายแต่หนหลังไว้เกิดมาในชาตินี้มันก็ไม่ค่อยมีศัตรูบะนี้ไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูต่อมีแต่ผู้มาแสดงตนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนอย่างนี้นะ นี่แหละความเป็นผู้ให้อภัยทานมาแต่ก่อนนะบำเพ็ญอภัยทานมาพอ เ, เกิดมาชาตินี้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่มีศัตรูหมู่ร้ายอะไรมาคิดเบียดเบียนนี่แหละการที่เราได้อัตภาพร่างกายนี่มาพร้อมทั่งดวงกิจดวงนี้นะเราต้องบำเพ็ญความดี ความชั่วอย่าไปยึดถือเอามาไว้ในใจในความเบียดเบียนกันหมอนี้ล้วนจะเป็นความชั่วทั้งนั้นแหละนะคราบว่าเมื่อเมื่อเขาเอาความชั่วมาให้เราอย่าถือเอาอย่าไปเก็บไว้ในใจอย่าไปคิดแก้แค้นตอบแทนเพราะว่าขอ ง, ของชั่วเหมือนอย่างเอาเหมือนอย่างคนเอาของสกงปรก มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามอย่างนี้เอามาให้นี่ใครจะเอาล่ะไม่มีใครเอาหรอกของโสกรกโถมมมแต่นีน่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ไอ้คำดา่าคำว่าสียสีพวกนี้มนันเป็นความชั่วทั้งนั้นแต่ว่าคนาชอบยึดเอาเลยแ่ละคนชอบยึดเอาไม่เหมือนอย่างวัตถุสิ่งของภายนอก ที่เน่าเน่าเหม็นๆลรเอายื่นให้ใครใครก็ไม่เอาอันนั้นเพราะมันเห็นเป็นรูปร่างแล้วมันมีกลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในจมูกไอ้ส่วนความชั่วที่เกี่ยวกับกิริยากายกิริยาวาจามันเป็นแต่เพียงกิริยาหรือมันเป็นแต่เพียงว่าเสียงดังเข้ามาเท่านั้นมันไม่มีรูปร่างอะไร แล้วคนชอบยึดถือเอานักหนานี่นะคิดดูให้ดีถึงว่าไม่รุนแรงไม่ตอบโต้ใครแต่เมื่อได้ยินเสียงด่าเสียงทอแล้วใจขุนขึ้นมาเลยเกิดไม่พอใจขึ้นมาแต่ว่ากิเลสไม่รุนแรงในหัวใจผมก็เลยไม่แสดงอาการออกไปทางกายทางวาจา แต่มันคุณอยู่ในใจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางสอนในภาวนาละอารมณ์เหล่านี้เมื่อหากว่าจิตมันคุนขึ้นมาอย่าไปถือว่ามันเป็นเรื่องดีอย่าไปปล่อยให้มันคุณอยู่อย่างนั้นก็รีบเตือนตนให้กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปเตือนตนว่านั่นนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นบาปอากุศล ไม่ควรยึดควรถือเอาไว้ควรละอย่างนี้นะเมื่อสติปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นตามแนละ้วมันก็ละสิมันก็ไม่ยึดถือเอาไว้ความโกรธก็ไม่เกิดอที่มันเกิดมาแล้วมันกำลังงับไปไม่ถึงกับว่าแสดงออกทางกายทางวาจานี่ การที่เราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแล้วก็ควรฝึกกายวาจานี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่กายวาจานี่มันก็เนื่องมาแต่ใจใจเป็นผู้วงการดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้อบรมใจ แต่ว่าต้องอบรมกายด้วยการที่จะอบรมใจสงบระงับมันต้องทำกายให้นิ่งให้สงบระงับเสียก่อนใจนั้นจึงจะสงบลงได้ตามหลังถ้าหากว่าใครเป็นผู้มีกรรมมีเวรมัวแต่เจ็บแต่ป่วย มีแต่โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็มีไม่มีแก่ใจที่จะมาไหวพระนั่งสมาธิภาวนามีแต่นอนกิ้งไปกิ้งมาร้องครวญคลางด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาเนี่ยนั่นแหละกรรมเวรมันให้ผลน่ะเนื่องมาแต่การเบียดเบียนเนี่ย แต่ชาติก่อนนั้นพู้นั้นเบียดเบียนผู้คนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ถึงกับตายแต่คมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลยจะคิดทําความดีอะไรก็คิดไม่ได้เพรา ะ, สะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น ลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางคนมีกรรมน้อยเวร น, น้อยมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปร่างกายก็เป็นปกติดีตามเดิมอย่างนี้ก็จึงได้มีโอกาสฝึกขนอบรมตนได้เต็มที่ความมีกรรมมีเวรนี่มันก็เป็นอุปสรรคแก่ การประกอบผู้สนคุณงามความดีดังพุทธดังนั้นและผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วในชาตินี้น่ะอย่าไปทํากรคำชั่วอย่าไปทุบตีผู้อื่นอย่าไปด่าว่าผู้อื่นอย่าไปพูดเสียดสีคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่าไปพูดคําหยาบ้ายด่าแช่งกันอย่าไปพูด ส่อเสียดยุโยงให้คนทะเลาะวิวาดพิเถียงกันอันนั้นก็เป็นกรรมเวรเวนะี่ยคนอยู่ด้วยกันดีดประยุให้เขาทะเลาะกันอย่างนี้นะมันก็เจตนาที่จะเบียดเบียนบุคคลทั้งสองนั้นนี่ยให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันก็เป็นบาปน่บาปตามสนองเกิดไปชาติใดต้นก็มีจิตเดือดร้อน ถ้าได้ด่าได้ว่าเพื่อนได้ทะเลาะกับเพื่อนลราจึงสบายใจถ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครแล้วไม่สบายนั่นแหละกรรมแต่หุนหลังมันโดนบันดาลเอาจะทําความดีก็ยาก <c oughs> เพราะว่าเป็นคนใจดําใจไม่เบิกบานกรรมนั่นดนบันดาลให้ระแย่งแต่ผู้อื่นอยู่เรื่อยไป กลัวแต่ผู้อื่นจะยกโทษตนนินทาว่าร้ายตนเบียดเบียนตนหรือว่ากลัวคนอื่นจะมาฆ่าตนเนี่ยนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้บางคนรักหนีหนีไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไปไหนก็นึกเห็นแต่ศัตรูคอยจะมาจองรักจองผานตนอยู่อย่างนั้น นี่ละเวณนะ่ะเหมือนอย่างพระภิกษุองค์หนึ่งพระโกนทานะนี่ชื่อถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะพอบวชเข้ามาแล้วนะ่ะไปไหนก็มีรูปผู้หญิงเดินตามหลังไปภิกษุทั้งหลายบัโยกโทษเอา ก็พระองค์นี่เป็นคนเจ้าชู้ไม่ควรจะเป็นพระเป็นเจ้าพอไปไหนน่้มีแต่ผู้หญิงเดินตามอไอ้พระองค์นั้นก็นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ได้และว่าตั้งแต่เพื่อนยั่วยุตนเอาก็ตอบโต้ไปด่าตอบกันไปตอบกันมาอยู่นั่นเนี่ยคราวนี้เรื่องมันก็ เลยมีผู้ไปทูลพระเจ้าประสิทิโกศลให้ทรงซาบ พ, พระเจ้าที่ประสิทิกโกศลก็มาทดสอบดอมูมาสังเกตดูว่าวนี่มาสังเกตการเมื่อเห็นพระองค์นั้นเดินไปก็เห็นผู้หญิงเดินตามหลังจริงๆบิง่านี่ พระเจ้าพระเศสนิโกสลก็จึงพิจารณาดูว่าโอ้อันนี้เห็นจะเป็นกรรมเวรของท่านแต่ชาติก่อนหนนหลังมาตามสนองเอาคงจะไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเพราะว่าบางทีก็หายไปผู้หญิงนั่นแะบางทีก็เห็นตามหลังท่านอย่างนี้ พระเจ้าที่ตประเสนที่โกศลก็ชึงได้พูดกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่ควรที่จะไปยกโทษท่านเพราะว่ามันก็เป็นกรรมเวรๆของท่านเองไม่ใช่ว่าผู้หญิงจริงๆเดินตามหลังไม่มีโยมพิสูจน์แล้วเต็มที่ว่างั้นพระทั้งหลายก็ไปทูลพระศาสดาทรงทราบ พระองค์จึงให้หาพระโกนทัฐานะนั่นมาหาธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์รู้ชาติผลหลังของพระองค์เองและรู้ชาติผลหลังของบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าแต่พระองค์ต้องการจะรู้เท่านั้นแหละมันก็รู้เลยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงเตือนพระโกนทัฐานะนั่นว่า เธอน่าได้ทำความชั่วมาแต่ก่อนนนเธ อ, อย่าไปตอบโต้คนอื่นเขาให้ปิดปากไว้ว่างั้นเพราะเธอทำไม่ดีมาติชาติก่อนแต่ชาตินั้นเธอเป็นลุกพะเทวดาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในศาสนาพระพุทธเจ้ากสปะหนึ่งบัดนี้มีพระสององค์อยู่ในสำนักหนึ่ง ชวนกันไปลงอุโบสถอีกวัดหนึ่งเดินทางไปพอเดินไประหว่างกลางทางพระองค์หนึ่งปวดท้องก็เลยบอกอีกองหนึ่งว่า น, นี่พระท่านเดินก่อนก็ได้ผมจะปวดท้องจะไปถ่ายทุกก่อนเช่นนี้ท่านก็เดินเข้าไปในพุ่มิไม้ ไปบางพุ่มไม้นั่นแล้วก็ถ่ายทุกพระองค์นั้นก็เดินไปนอนแล้ก็ยืนคอยเมื่เสร็จธุระแล้วเทวดาลูกขัดเทวดาที่อยู่้นไม้เห็นพระองค์นั้นข้าแล้วก็เลยคิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาว่าเราจะทำให้พระสององค์นี้ทะเลาะกันแตกสามัคคีกัน จึงได้นิรมิตตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยเดินตามหลังพระองค์นั้นไปเมื่อพระที่เป็นเพื่อนคอยอยู่นั้นมองเห็นก็เลยต่อว่ากัรมานีเอ๊ไม่ใช่ท่านไปถ่ายทุกนะท่านไปทำไม่ดีมีร้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินตามหลังท่านมานี่ สร้อยว่าท่านทำศีลในขาดแล้วมั้งท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านไม่ไม่ไม่ไม่ได้ทำอย่างที่ท่านว่าต้องไปถ่ายทุกจริงๆเลยไม่มีผู้หญิงอะไรอยู่ในป่าอันนี้ไม่มีอ่ะันนอ้นไม่มีทํำไมยังมาเดินตามหลังท่านองมาพระสององค์นั่งเถียงกันไปจนถึงวัดนั่นแล้วก็ไปแจ้งต่อสง สรงวิจัยแล้วอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเจ้าทุกข์ไม่มีก็มีแต่เพื่อนว่ากาันเฉยๆที่นตัวผู้หญิงผู้นั้นน่ะเขาได้รับความเสียหายแล้วเขาก็ต้องมาฟ้องต่อสงฆอันนี้เจ้าทุกข์ไม่มีนี่แสดงว่าตัดสินไม่ได้ ว่าท่านจะเป็นอาบัตถถึงที่สุดอย่างนี้ก็เพียงตักเตือนขอให้ท่านสังวรระวังตนเท่านั้นแล้วก็แล้วไปกรร ม, มานั่นแหละติดสอยห้อยตามมาพอได้มาเกิดในชาตินี้ได้ออกบวชไปแล้วจึงออกไปไหนมีทัฟูหญิงติดตามไปเพราะกรรมที่เป็นลุคเทวดาได้ นิทะมิตตัวอตามหลังพระองค์นั้นออกมาจากพุ่มไม้นั่นนะนั่นเนี่นี่เรื่องความอิจฉาลิสยาการน่ะมันเป็นคำรรเปนเวรอย่างนี้แหละแต่และกครำรเวรของท่านองค์นั้นน่ะเมื่อนี้เมื่อท่านบำเพ็ญไปพระศาสดาทรงเตือนอย่างนั้นแล้วท่านตั้งใจเจริญธรรมธิปิปัตนาไป ก็ได้สำเร็จอรหัตตาผลไอ้คาเวนั่นมันก็เลยระงับไปทีนี้ลูกผู้หญิงเนี่ยก็หายไปท่านองนี้ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอเสตะคะทางจับสลากได้ที่หนึ่ ง, ค, งคนเรามันก็มีดีมีชั่วอย่างว่านั่นแหละมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้น่ะ เมื่อผูใ้ใดรู้ตัวว่าตนมีความชั่วอะไรอยู่ในใจตนมีนิสัยชอบอิจฉาลิสยาผู้อื่นหมะชอบโกรธคนอื่นหมะอะไรเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้หิตอิจฉาในใจถ้ามีอย่างนี้ลรารีบละมันอย่าไปสร้างบาปกรรมดังกล่าวนั้นขึ้นมาอธิษฐานใจละเว้นสำรวมใจ ให้นึกสียว่ามันเลือกเขาใครของเราใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเพ่งเลี้ยงอิจฉาริษยาถ้าเขาทำดีเราก็ควรแสดงมุทิตาจิตด้วยเขาทำดีได้มากอย่างนี่นะเขามีคนยกย่องสรรเสริญว่าผู้นี้ทำดีได้มากทำดีได้หลายอย่างอย่างนี่ เราก็แสดงความมุทิตาจิตขอยินดีด้วยสิถ้าเขาทำบุญกุศลมากก็ขออนุโมทนาด้วยอ๋อย่างนั้นมันก็จึงถูกต้องมันจึงเป็นธรรมมันจึงไม่เป็นกรรมเป็นเวรนี่อย่าไปชอบเรื่องกรรมเวรนนะ่ะคนเรานะ่ะถ้าไปชอบกรรมเวรเราไม่พ้นทุกข์ได้เลย เกิดไปชาติใดก็มีแต่คำตะเวนตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่งั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นแหละการภาวนาเนี่ยการเจริญเมตตาให้มากมากนี่มันดีหลายนะมันทําให้ความโกรธควา ม, มวิวาความอิจฉาริษยาต่างๆมันหายออกไปจากกิตใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเพราะ ถึงแม้ว่าเราจะได้อัตภาพร่างกายที่บุญตกแต่งให้มานี่ก็จริงอยู่หรอกแต่จิตใจนนท์สิยังละกิเลสไม่ได้กิเลสก็ยังติดตามมาอยู่มาทักส่วนจิตใจนี่ให้ทำชั่วอยู่ได้อยู่นะนั่นละกิเลสทนหลังอะ่ะฉะนั้นเราจะนอนใจไม่ได้ต้องภาวนาเพ่งจิตนี่ให้สงบ เมื่อเพ่งเข้าไปแล้วกิเลสมันสิงอยู่ในจิตใจมันมันเดือดร้อนมันริ่นอ่ะมันแสดงอาการต่างๆออกมาเราก็รู้เท่ามันนี่คือกิเลสบาปธรรมอ่ไม่ใช่อย่างอื่นได้อย่างนี้นะเราก็เพ่งละมันเลื่อยไปอย่างนั้นนละไม่ตองห ว, วั่นไหวเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราเพ่งละมันเลื่อยไปเราไม่ท้อไม่ถอยสติเข้มแข็งเข้าไป มาเนี่ยเมื่อกิเลสนี่ยมันลั ง, งับลงไปแต่จิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่ายังไปกลัวตอกกิเลสนั่นอยู่ไม่ยอมเพ่งละมันอย่างนี้นะจิตใจมันก็อ่อนแอนละเกี้เลยกิเลสมันก็ปันจิตให้คิดเลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆนั้นเองเลยเพราะฉะนั้นน อย่าพากันท้อถอยเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญแท้ๆขอให้ตั้งใจทำใจให้เป็นสมาธิให้ได้ดังแสดงมา